เมื่อวานมีความจริงติดปัญหานะหรื อ, อยังไม่เคลียร์นะครับเดี๋ยวผมจะจะมาเฉลยให้ครับบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์ดีข้อแรกถามว่าเกลียวเธอยะสั่งว่าครับขโมยรักเพศนะลักเพศที่ว่าคารว่านะที่อาจารถามเมื่อวานเป็นคนไปแสดงหนังใช่ไหมครับนุ่งสวงจีวอลงตัวเหมือนผ้าเนี่ยคือเอาแพร่ด้วยจีบริสุทธิ์นะครับตอนแรกนะไม่ได้คิดจะหลอกลวงอะไร หรือว่าตัวเองไม่ใช่แพทย์อยู่แล้วแต่ว่าเกิดยินดีขึ้นในภายหลังด้วยสักว่าปัจจุบันนะความคิดที่ยินดีขึ้นมาตอนนั้นนะครับนี่ถามว่าเข้าเป็นคนเผยยัดสัมภาษหรือไม่อันนี้ตอบว่ายังไม่เป็ น, นครับเพราะว่าเขาถือเอาแพทย์ด้วยจิต บ, บริสุทธิ์ตอนแรกครับตรงนี้เนี่ยไอ้ดีกาจะอธิบายง่านะครับเกี่ยวกับกบุคคลผู้ถือเอาแพทด้วยจิต บ, บริสุทธนะิ์เนี่ยถ้ามองว่า บุคคลนี้นะครับมีจิตบริสุทธิ์นะมีจิตบริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีจิตที่ไม่บริสุทธิ์นะครับจิตที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นยังไงจิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือขคอที่เขามีความคิดอย่างนี้นะครับว่าเราจะลวงพิสูจ์ทั้งหลายด้วยเพศนี้จะลวงพิสูจ์ทั้งหลายด้วยเพศนี้และก็จะอยู่ร่วมกับพิสูจน์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นนะครับท่านบอกว่าคั้นเมื่อจิตสักว่าการถือเอาเพศนะครับด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์นั้น เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเล่าเพศแล้วนะครับในภายหลังนะจะได้อยู่ร่วมกับพิสุทธิท่องหนาหรือไม่ได้อยู่ร่วมก็แล้วแต่ถ้าเข้าไปถือเอาเพศด้วยจิตที่มันงดตาตอนแรกเลยนะไปถือเอาเพศด้วยจิตที่มันบริสุทธิ์ที่ว่างครับจะดวงพิสุทธิท่องหนาแล้วก็จิตร่วมกับพิสุนะต่อมาในภายหลังจริงๆนะได้อยู่ร่วมหรือไม่ได้อยู่ร่วมก็แล้วแต่ก็ชื่อว่าเป็นคนอ่อเล่เพศแล้วนะครับอันนี้เป็นคนเล่าเพศแล้วนะก็ชื่อว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้า ถ้ า, าดูจากตรงนี้นะคนนี้เขาถือเอาเพทย์อาธิ่าเป็นนักสแสดงใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีจิตที่ไม่บริสุทธิ์ตังตอนแรกเพราะนั้นแค่สักคำว่าจิตุบาที่เกิดขึ้นในที่นั้นนะ่ะก็ถือว่ายังไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกอันนะครับอันนี้าถามว่าประพฤติวัดปฏิบัติของพวกฤาทีอยู่ในวัดเป็นคนเข้ารีดฤาษีหรื อ, ร อ, อยังอันนี้นะครับไปได้ น, น, นะครับถ้ามีการยอมรับแพทย์นั้นนะ มีการยอมรับเพศนั้นนะครับเช่นว่ า, าไปยอมรับว่าว่าปฏิบัติอย่างนี้แหละนานความจริงที่เมื่อวานนะมันจะมีคำพูดอยู่ตอนหนึ่งนะที่เป็นตัวบอกว่าถึงแม้เขาไม่ได้ไปสํานักดิเรกทีนะถ้าเขาไปยอมรับเพ่อย่างดิเรกทีก็เป็นนะครับมีเพราะว่าแม้ที่สูดใดคิดว่าเราจะเป็นดิเรีเอาเองจึงนุ่งคากรองเป็นต้นที่สูดนั้นย่อมเป็นผู้ข้อดิเรีเหมือนกัน ในตรงคำว่าเอ๋เราจะเป็นฤิษีเอาเองตรงนี้น่ะในฎีกาที่บายว่านะครับคือไม่ได้ไปสํานักฤาษีนะครับไม่ได้ไปอยู่สํานักของผู้ฤาษีนะอ่านุ่งผ้าคากองเป็นต้นแม่ในอารามนะครับเอ็งฤาษีเป็การยอมรับนับแท้ฤาษีนะครับประพฤติว่าปฏิบัติอย่างเข้าน่ะถึงแม้อยู่ในวังนะครับก็ถือว่าข้อดีฤาษ้นะเอาอ้อมๆมาหนย่งทีนะอันนี้มีคําพูดตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับเทยังสังวาเมื่อกี้นะกลับมาที่บอกว่าบุคคลที่มีจิตบริสุทธิ์ด้วยพระรากสร์ภัยเปื่ต้นถูกพระราชาเบียดเบียนนะครับก็เลยปอมบวชแต่มีจิตบริสุทธิ์ไม่ได้คิดจะหลอกลวงผู้ศึกษาเท่าไหร่นะถือเอาแพทย์เที่ยวไปอยู่ในภายหลังนะครับก่อนจิตที่ไม่บริสุทธิ์ขึ้นว่าเราจะนั่พันษาของผู้ศึกษาเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นอยู่ท่านบอกว่าเมื่อกี้บุคคลนั้นนะครับ ยังไม่ชื่อว่าเป็นคนถรยะสังวาด้วยสักวาจิตุบาจริงๆนะเนี่ยยังไม่ชื่อว่าถรยาสังวาลุ่ยสักวาจิตุบาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเพราะตัวเองถือเอาแพทยด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะครับตอนแรกนะถือเอาแพทยด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วเกิดความคิดอย่างนี้ทีหลังนะนะไม่ใช่ว่าถ่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นถรยาสังวาลุ่ยสักวาจิตุบาอ๋อแล้แล้วที่โยมจะถามนะถ้า หลองลวงจะพ่อโยมไม่ได้คิดจะหลอกลวงผ้าใช่ไครับคือถ้าเราเอาตรงนี้ไปจับนะอันนี้ขอแก้นะครับก็จะไม่เข้าถิ่นสังวรนะครับไม่ได้คิดจะมาอะไรหลอกลวงผ้านะแล้วก็มาอยู่กับผ้าอะไรนะครับคิดแต่ว่าจะปอมปอมเป็นพระนี้นะแล้วก็หลอกลวงครับริยายครับหลองลวงยาโยมถ้าเอาตรงนี้มาจับนะครับถ้าว่าตามนี้นะผมวก็ไม่เข้านะครับเพราะตรงนี้ท่านบอกว่าเนี่ย จะลวงพิสูทั้งหลายด้วยเพศนี้แล้วก็จีบพวกของพิสูจน์ธรรมที่ถามว่าพิสูจน์ปวยกายและเกิดยินดีความเป็นเจริฐยองรับเพศนั้นอันนี้จะเป็นผู้เข้าที่เจริฐหรือยังนะครับปวยกายนะเป็นต้นนะแล้วก็เกิดยินดีนะความเป็นเจริฐนะครับไม่ยินดีเฉยเฉย น, นะยองรับเพศนั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นผู้เข้าที่จริฐหรือยัง มีคําพูดมื่วาเนี่ยนาีิกาเข้ามาที่มาคําพูดเมื่อวาที่บอกว่าเมื่อพิสูจน์น้ำเปื่อยการอาบน้ําอยู่แลดูตนอยู่ว่าการที่เราเป็นอาชีวกจะงานหรือหรือเราจะเป็นอาชีวกหลักดังนี้แล้วไม่เถื่อผ้ากาสายะคงเพวยกายไปสู่สํานักพวกอาชีวะพิสูจนนั้นต้องอบัตทุกกฎทุกทุกทกทกทกอย่างเท้าแต่ถ้าในระหว่างทางมีเรียวต่อปะเกิดขึ้นแก่เธอ เธอแสดงอาบัตทุกกฎและย่อมพ้นนะครับมันมีตรงนี้ดูคํานี้ดีนะครับจะมีคําว่าตรงนี้นะครับในดีกาอธิบายนะอันนี้ที่ท่านบอกว่ายังไม่เป็นนะครับนี้ดีกาอธิบายว่าบุคคลนั้นนะคิดว่าเราจะเป็นอาชิวกเป็นต้ น, นครับย่อมไปนะครับด้วยคิดว่าเราจะเป็นอาชิวกดูคํานี้นะครับจากเป็นอาชิวกจนเป็นอนาคตนะแกยังไม่ปักใจังไปเลย เราเป็นอาชีวกนะครับด้วยวิธีคือการบรรประชาขออาชีวกเท่าไหร่เหล่า ข, ของของนะครับอาชีวกเท่าไหร่เหล่านะั้นในสํารับของพวกอาชีวกแม้เมื่อการตกลงใจนะครับการเข้าถึงความเป็นพวกดีลัตีของพิสูจน์นั้นแม้เมื่อความตกลงใจมีอยู่นะครับเมื่อความตกลงใจมีอยู่แนละ้ว่าจะเป็นดีลัตีนะีแต่ท่านก็กล่าวว่าเป็นอบัตทุกฏเลูกย่างเท้า พราอะไรครับพ่อมันยังไม่แน่นอนยังมีการกําหนดนะครับปริกรรมนะว่าเราไปแล้วจะเป็นแกมีคํานี้นะว่าเราไปแล้วจะเป็นนีมันยังเป็นอนาคตนะครับทีนี้นะครับท่านก็เลยอธิบายแต่ว่านะครั้งเมื่อแกถือเราเพ่แล้วนะครับเมื่อยองรับเพ่นะครับด้วยอํานาจแห่งการตกลงใจนะครับด้วยอํหน้าแห่งการตกลงใจนั้น เป็นปราชิก น, นคะครับเป็นปราชิกหมายความว่าเป็นคนผยแพร่สาระข้อดีดีี น, นคะครับคือพวกที่ข้อดีดีีนะ<ช>เขาจะมาบวชหรือไม่ได้ครับต่อจางเมื่อกี้กันนะ<ช>ที่ว่าท่านบอกว่าเป็นอาบัติทุกอดทุกทุ่งย่างท้าพราะไม่ได้กาหนดตายตัวลงไปนะคะรับเพราะยังมีประการปลิกำนะนั้นไม่แน่นอนว่าเราไปแล้วจะบวช น, นะครับท่านไม่ได้กลา่าวไว้ในพระบาลีนะครับแม้ท่านไม่ได้กล่าวคำว่าทุกอดนี้นะ แม้ท่านไม่ได้กล่าวว่าเดี๋ยพระบาลีเพราะตรงนี้อยู่ในเอกสารนะครับท่านไม่ได้กล่าววเดี๋ยพระบาลีหรอแต่ว่าในเอกสารท่านก็กล่าวไว้กล่าวไว้นะครับโดยอนุโลมตามอาบัตทุกกฎที่เป็นบุคคลประโยชน์นะครับที่นักล่าวไว้เกี่ยวกับการเสถ็จเมตุนต้นะการเสรเมตุน์นะไม่ใช่กิงปราที่ตเดียวมีการบุคคลประโยชน์<ม>ใช่คความพยายามเบื้องต้นนะมีการไปก่อจุดรูปคําของนิจเสดนะแต่ความพย า, บบ า, ย, า, า, าพยามตรงนั้นนะ่ะเป็นทุกกฎนะครับ ไม่ใช um, <Glass. S 1> ่ทงานดีเศษนะะพ่อ yes, ว่าพยายามเพื <facult> ่อจะทำเสรครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครันครับครับครับครับครัีครับครับครับครับครั่ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคาับครับครับครับครับครับครับครับครกบครับคราบครับครับครับครับครับับครับครรับครรับครับรับครับครับครัไปเับครับครับคับครับครครับครับครับครับครบครับัครับ ในการเป็นดิลิทรีก็บอกว่าเมื่อยองรับเพศด้วยอำนาจแห่งการตกลงใจนะการตัดสินใจนั้นะก็ถือว่าเป็นปาที่คือเป็นคนฉายาสั่งว่าเป็นคนเท่าเท่าดิลิีนะเท่าตัดสินใจเลยนะเมื่อยองรับเพศของผู้ ด, ดิลิทรีนะครับฟงใจไปเลยเมื่อเราจะไปครับยองรับข้อ่าปฏิบัติเไาเลยนะว่าสมาทา น, นครับขึ้นไหวเข้าอย่างนั้นไปเลยก็ถือว่าเป็นคนรับเพศ ทีนี้นะครับท่านก็บอกว่านะตรงนี้ไม่มีอาธิกรรมมิการนะครับคนทําเบื้องแรกก็โดนนะไ ม, ม่เหมือนในแบบปา ร, ราที่อาธิกรมมิการทำเมือแรกนี่เปปาราที่ชินะครับถ้าบอกว่านะครับเท่านไม่ได้กลาวอนาบัตทไว้สาหรับผู้ไปอาธิกรมมิกกระทําเบื้องแรกนะถ้าไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้เพราะอะไรนะครับเพราะการกระทําอย่างนี้น ะ, ะมันเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อพระาศาสนานะคร<ม>ับอยู่ดีเป็นผ้าอยู่แล้วก็ไปเข้าเนีเดินถีเลยนะ ใครทำคนแรกคือโดนนะครับไม่มีอที่กรรมการนะเป็นผู้ไม่ควรแม้เพื่อบรปประชานะครับน่าบวชไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าท่านไม่ได้แสดงป ร, ราชิบเป็นต้นรูปสิกขาบทตังหานะครับในป ร, ราชิบการน่ะพวกนี้ท่านไม่ได้แสดงใช่ไหมครับคนถอยยะสังวาสก็ดีคนรขั้นรีดลันถีก็ดีนะพวกนี้น่ะท่านไม่ได้บอกเอาไว้ในในบทป ร, ราชิบน่ะไม่ได้มีข้อตังหานี่นะครับไม่ได้มีนะท่านบอกว่าไม่ได้มี แต่ถ้าเขากล่าวว่าในที่นี้นะครับในความเป็นแบบครอภคพัวบุคคลก็คือยังไงก็บุญไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าถ้ามีการยอมลรับเลยนะยอมล่ําเพศเจีนะครับสมาหานแบบพื้นบ้านของเขาเนี่ยก็เป็นครับเป็นเป็นข้อดีเตนาต่อไปนะครับพันเตก็ถามว่าเกียวกับต่างกันเมื่อวานเนี่ยมีบุคคลต้องห้ามอยู่ในหัตถบาทใช่ไหมครับเมื่อวานนะกลับมาตรงนี้นะครับ ตรงหน้าสีเ น, นะ่ว่าชนิยบุคคลบุคคลูต้องห้งหามเนี่ยถบาเกียองค์ปต ก, กิะาหนึ่งต้องเป็ น, นปวันบุบสถใช่หมครับสองต้องไม่มีสภาคาบัสสามต้องมีบุคลต้องอนแอนถบาสใช่ไมครับไมเห็มันจะมีสี่นะต้องเป็ น, นปวันบุญบสถต้องมีพิสูจนผู้สมควรกับคเพียงพอต่ามๆจำ่างใ่ครับไม่มีสภาคาบัสไม่มีบุคลต้องแอนแอนถบาสก็เลยสงสัยว่า ถ้ามีนะ่ละเป็นไ่อมีสภาคาบัตดก็ดีนะครับมีบุคคลต้องหให้เนี่ยธรมบาเนี่ยมาอยู่ก็ดีนะอะการโลงบวชสดสุ ป, ปฏิโมกของเราเนี่ยกรรมมีบัตรไหมนะครับอันนี้กรรมไม่มีบัตรนะครับเพียงแต่ ว, ว่าเป็นอาบัตทุกกฎกรรมยังไม่มีบัตรนะแต่ว่าเป็นอาบัตทุกกฎก็คือไม่ควรที่จะทําทเลยนะครับพราะทำไปก็มิจะเสียทําก็ผิดนะครับะแต่กรรมก็ไม่มีบัตรนะครับ ต่อไปนะครับกลับมาหนะนะน้าทสิบสี่นะวัชรียะบุคลบุคลผู้ควรไว้นเหนือธรรมยังไม่ครบนะครับเมื่อวานเนี่ยมาถึงข้อสิบสองนะพิสูจน์พวกข้าวฤษี 13, สิบสามสันติราชานสันติราช า, ชายาาท่านจะอธิบายครับอันนี้ไม่ได้เอาสันติราชาทั่วไปนะเอาสันติราฐานที่แบบสามารถแปลี่การมานุษมด่าง น, นะครับ <c oughs> พวกพญานา พ, าพญาคุศลนะครับหรือไม่แต่เทวด า, างนี้นะ ก็ไม่ได้เหรอครับไม่ได้ก็เรียกว่าถือว่าเดรัจฉานที่นี้นะครับมีผู้ฆ่ามารดา็นผู้ฆ่าบิดาผู้ฆ่าฆารหันพวกนี้นะครับไม่ได้นะพวกนี้บวชไม่ได้ด้วยครับบวชไม่ได้นะมีผู้ประทุษร้ายหนกพิสุณีลูกศรที่จริงๆก็คือผมขืนพิสุีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักเลยนะกรรมหนักเหมือนกันใช่ไหมครับพวกนี้ก็คือบวชไม่ได้นะครับ ห้ามสวัส์ห้ามผเหมือนกันนะถ้าไปขม่มขืนนะครับเพราะว่าเปผู้หญิงที่มีศีลมานะยิ่งถ้าพิจูนี้เป็นผ้าเรียกบุคคลก็คงนั่นก็กรรมหนักไปนะครับ <c oughs> ถึงแม้บวชไปก็ต้องให้ศึบเลยนะบวชแล้วก็ต้องจับศึบนะครับพวกนี้ไม่ได้เลยนะอ่าพิจุผู้ทำลายสงศนะนะ์สิบแปดและพิษุทำลายสงศ์สิบเก้าผู้ทำล า, ายพระธเจ้าจนทำให้พระโลหิตห่อยี่สิบบุคคลสองเพศ ปู้พระโตเพียงฉลอมนะครับก็ยี่สจําพ่งพออยู่ยี่สิจัมพุ่งนะถ้าเราไปบวชจัมพวกแรกก็คือาาาคารวะนะครับจะได้ยี่สิบจัมพวกวัชนีบุคคลทั้งหมดนี้สงจะต้องเว้นทําให้อยู่นอกธรมานก็บนรราบุคคลเหล่านั้นเมื่อสเท่าโบสดร่วมกับพิสุผู้สุสงโยวะสามจัมพุ่งต้องปฏิบัไปดีก็คือข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้านคะครับ บุคคลเหล่านี้ถุงย่องวัฒ น, นะถุงสองย่องจำหมุขหน้าแล้วถ้ายังไปทํากรรมร่วมเข้าก็ยังต้องแบบไปตีเพราะมีอยู่ในแบบไปตีนะครับพิสูจที่ถุงสองย่องวัฒ น, นะยังไม่ได้กระทําตามธรรมเลยนะครับคือพิสที่ถุงสองย่องวัฒนลงกรรมเนี่ยเขาต้องกับพื้นวัฒ น, นะครับถือว่าคล้ายคล้ายวัตปนิวาอะไรนะ่แต่จะมีเยอะนะครับเยอะหลายข้อเลยประพื้นวันให้ดีให้เรียบร้อยนะหายเยอะจิงครับ แล้วก็มาขอพระสงฆ์แล้วร่ำกรรมนรับพระสงฆ์เห็นว่าบุคคลเนี่ยนะก็หาเยื่อหยุดมาคุ้มแก้ตัวได้พระสงฆ์ก็จะร่ำกรรมแต่ถ้ายังไม่ร่ำวักรกรรมเป็นคนอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ายังไม่ได้กระทำทารทำยังไม่ได้ศีลที่ถี่ยังไม่ได้ศีลพฤติกรรมนั้นยังทอย่างนั้นอยู่ถ้าไปร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องไอจีนะเมื่อคำบวชศรกรรมร่วมกับบุคคลสิบเจ็ดจะสิบแปดก็ได้นะ นะครับผมไแก้คือถ้าเรา21นะ21บวกกันข้อคารวาตอนแรกใช่ไหมก็จะได้เป็น18คน18จำพวกที่เหลือ้ก็บรรทุกกฎบรรดาบางคนเหล่านี้ที่ชื่อว่าสันติราชาในที่นี้หมายถึงผู้ที่สุกห้ามไม่ให้บวชอะคือพญานาคเทวดาเป็นต้นนะครับ้กพวกพญานาคพญาคุ่นนะที่เขามีนิสครับแปลงการนุษย์ได้มี ที่เวลาเปนต้นอันนี้ไม่ได้หมายถึงสดเดลราชาทั่วไปเช่นพวกมูคว า, คสสายเป็นต้นคนสงสัยเอ้เจ้าว่าเนี่ยเยปปา อ, อย า, ห, าหมาเข้าไปหมาเจ้าว่านะครับเข้าไปในโบสถ์กรมเสียหรือเปล่าสงสัยเป็นอาบัตไหมอ่าครับอย่างนี้ไม่เป็นนะครับเ <laughs> ข้าไปในอาบาัตไม่เป็นอาบาัตนะครับถึงเข้าไปอยู่ในอาบาตเวลาเราสืบปฏิโมก ข, <ม>ข์นะก็ไม่มีอาบัตอะไร เพราะสตินสังสารที่นี้ไม่ได้มาออนะ า, าย่เหมัอนเขาพญายนาคพญายคุณเทวดาที่ตั้งตามจะมาโนดัน้งที่ถูกห้ามบวรับสําหรับดิรันถีนั้นพวกดิรันถีนําเข้าในพวกขา้าึกหะก็อยู่ในตอนแรกครับเหมือนกันนะอันนี้ก็แรมอุทุกตกถ้าเข้ามาร่วมมือันถบาทด้วยความจริงบุคคลเหล่านี้ชื่อว่าบุคคลต้องห้าเหมือนกันคืนทราบประตะกันละอันประกอบด้วยองค์สี่ ดาที่บายมาแล้วปุะการชนดานนั้นนะต้องเป็นวันบนร์สดต้องมีที่สู่ผู้สมควรแก่กรรมเพียงพอตามหน่วยตัญญาตั้งสี่รูปนะครับต้องไม่มีจัตภาคบาบต้องมีคนต้อแนแห่ะทบาท